ยาซีเรียสเรื่องเองไม่จบด็อกเตอร์รอกเท่าแก่โรงสีย่านชานเมืองกรุงเทพ ส่งลูกชายคนเดียวไปเรียนต่างประเทศ4ปีต่อมาลูกชายก็ได้จบด็อกเตอร์มาในจิตใจมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนทำงานเพื่อชาติต้องการเดินทางสำรวจชนบทจึงเดินทางกลับดูสภาพสังคมในชนบทพอมาถึงตำหนักแห่งหนึ่งมีผู้คนมากมาย ชาวบ้านมากราบไหว้อาจารย์เพื่อขอหวยกันแน่นเขาเห็นว่าชาวบ้านเหล่านี้ยังงมงายจึงขึ้นไปยืนบนโต๊ะอภิปรายบอกชาวบ้านอย่าได้หลงไหลงมงายเพราะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชาวบ้านไม่พอใจจึงรุมกระทืบชกต่อยจนลูกเท่าแก่หน้าตาฟกช้ำดำเขียวเมื่อถึงบ้าน แล้วแกเห็นลูกชายหน้าตาฟกช้ำ ม, มาก็ถามหาสาเหตุได้ความว่าไปอภิปรายให้ชาวบ้านโกรธเคืองจึงพูดไปว่าเองต้องไปเรียนต่ออีกเพราะเองยังไม่จบด็อกเตอร์มีความรู้ก็ใช้ไม่เป็นลูกชายเท่าแกจึงต้องกลับไปเรียนต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งต่อมาอีกสองปี ก็เรียนจบและเดินทางกลับมาทางเก่าก็พบเหตุการณ์เดิมคราวนี้เขาคุกเข่าคลานเข้าไปกราบและพูดด้วยน้ำเสียงอันดังให้ชาวบ้านได้ยินว่าคราวก่อนผมเมื่อถูกกระเทืบบน่าเขียวเห็นตัวเลขผมไปซื้อก็ถูกหวยร่ำรวยมากจึงนำเงินมาทำบุญแก่อาจารย์ 5,000 ันบาทและเขา พูดให้ดังอีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไปข้าวฝันผมว่าสงสารผมมากและผมไม่อยู่ไกลไปถ้าต้องการขอหวยอีกก็เอาหนวดหรือผมของอาจารย์ไปบูชาขอเลขได้ครับว่าแล้วก็เอื้อมมือไปถอนหนวดของอาจารย์แล้วตะโกนว่าพวกเราชาวบ้านอย่าชักช้า หนวดอาจารย์มีน้อยเดี๋ยวหมดปรากฏว่าชาวบ้านรุมถึงทั้งหนวดและผมของอาจารย์จนตายคามือเมื่อกลับมาเล่าให้เตี่ยฟังเท่าแกหัวเราะชอบใจบอกว่าเองจบด็อกเตอร์แล้วเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าผู้ที่มีปัญญา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างนุ่มนวลแบบมีศิลปะ